ก็คล้ายๆกันที่ทานอีศพแต่ว่าก็มีคติธรรมที่น้อมนําใจให้เกิดคุณธรรมแล้วก็สติปัญญ า, ามีชาดกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของพ่อกับลูกพ่อนี้ก็เศร้าโศกเสียใจเนื่องจากพ่อของตัวเนี่ยเสียชีวิตก็เอาแต่ซึมเศร้าไม่เป็นอันทำงานคนที่เป็นลูก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 ยังขยันขยอให้วัวกินด้วยวัวมันไม่กินอยู่แล้วเพราะมันตายลูกชายก็ขยันขยอยกินสิกินสิพ่อเห็นก็เลยตำหนิลูกว่าไม่มีความคิดก็วัวมันตายอยู่แล้วจะให้มันกินได้อย่างไงมันไม่มีทางจะฟื้นขึ้นมากินได้ลูกชายได้ทีก็เลยบอกว่าไอ้วัวเนี่ยมันก็ยังมีตัวอยู่นะยังมีหัวยังมีขา ผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะฟื้นขึ้นมากินได้แต่ปูอ่ะปูไปถึงพ่อของพ่อที่ตายไปแล้วเผาไปแล้วไม่เหลืออะไรแล้วแต่พ่อก็ยังคล่่มครวญอยากจะให้ปูกลับมาอย่างนี้นี่ไม่เรียกว่าไร้ความคิดเลยพอปูดอย่างนี้เข้าพ่อก็ได้สติขึ้นมาทันทีว่าเออนะ เราไปว่าลูกว่ามันโง่ที่จะให้วัวนี่ฟื้นมากินหญ้าแต่ว่าเราก็โง่ไม่แพ้กันหรืออาจจะโง่ยิ่งกว่าชาด ก, ก็ยังมีเลื่นคล้ายๆกันเป็นเพื่อนสองคนคนนึงก็เสียลูกไปก็เศร้าโศกคร่ำครวญเพื่อนก็ไม่รู้จะแนะนำอย่างไรก็เลยแกล้งทำเป็นเศร้าบ้าง คนที่เสียลูกก็เลยถามเพื่อนว่าทำไมถึงเศร้าก็บอกว่าอยากได้พระอาทิตย์พระจันทร์พอเพื่อนได้ยินก็เลยบอกว่าเจ้านี่โง่จังพระอาทิตย์พระจันทร์จะเอามาได้ยังไงโง่แท้ๆเพื่อนก็เลยได้ทีก็เลยบอกว่าพระจันทร์พระอาทิตย์นี่ยังเห็นอยู่ก็ได้ตาแล้วก็ยังเห็นว่ามันเคลื่อนไปได้แต่ว่าลูกของท่านเนี่ยเผาไม่เหลือซากแล้ว แต่ท่านยังร้องไห้คล่ำครวญอยากจะให้ลูกกลับมาใครกันที่โง่กว่ากันระหว่างเรากับท่านนี่ใครกันที่โง่กว่ากันเออเพื่อนก็ได้คิดขึ้นมาทีว่าเออตัวเองนี่โง่นะไปร้องไห้ถึงลูกที่ตายไปแล้วไม่มีอะไรเหลือรอแล้วเหลือแค่อติธาตานั้นเองอ น, นิทานชาติกสองเรื่องนี้ก็เป็นแง่คิดได้ดีนว่าคนเราเนี่ยมักจะลืมดูตัวเอง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 เอออย่าไปเสียใจเลยนะของมันก็หายไปแล้วคนก็ตายไปแล้วอย่าไปเสียใจอย่าไปหงุดหงิดหรือเศร้าโศกหรือโมโหที่อะไรต่อแล้วไม่เป็นไปตามใจคนเราแนะนำผู้อื่นได้แต่เวลาเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นกับตัวนี่ในสิ่งที่แนะนำไปนี่ไม่สามารถจะามาใช้กับตัวเองได้เลยอันนี้เพราะมันจมอยู่ในความเศร้าความโศก จมอยู่ในความโกรธความโมโหก็เลยมองไม่เห็นตัวเองคนเรานี่เรามักจะไปเพ่งออกนอกเยอะอย่างที่พูดเมื่อวานและเวลาเรามองออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็มีความคิดดีๆที่จะแนะนำใครได้เราสามารถจะใช้เหตุผลกับเพื่อนกับใครต่อใครก็ได้เวลาเขาทุกข์แต่เวลาตัวเองทุกข์นี่พ่อสูญเสียสิ่งที่ตัวเองรักหรือว่าโกรธ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 ของรักของเราหายของรักของเราหรือคนรักของเราตายอารมณ์มันก็เกิดขึ้นเหตุผลมันก็ไม่ทำงานและมันก็จมอยู่กับเรื่องของตัวที่ว่าเหตุผลไม่ทำงานนี้ก็หมายถึงเหตุผลที่เกี่ยวกับตัวเองนะที่จะมาแนะนำตัวเองนี่มันมันไม่ทำงานละมันจมอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกมากแต่ก็ยังแนะนำคนอื่นได้อยู่นะอย่างพ่อที่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 เมื่อลืมตัวก็ไม่เห็นตัวเองนอกจากไม่เห็นตัวเองแล้วความคิดสติปัญญามันก็หมดไปด้วยแต่ว่าถ้าเราพยายามที่จะหันมาดูตัวเองบ่อยๆการที่หันมาดูตัวเองบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เหล่านี้เห็นตัวเองได้ชัดขึ้นและยิ่งถ้าเรามีสติสติมันก็จะดึงจิตออกจากอารมณ์หันมาเห็นตัวเอง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 ไปข้างนอกมองไปที่คนอื่นแลเราจะไม่เห็นตัวเองได้เลยแล้วก็จะลืมตัวเองได้ง่ายนะพวกเราเคยฟังนิทานอีโศบใช่ไหมเรื่องหมาคาบเนื้อภาพเนื้อหมามาได้เนื้อหยุดนื้ อ, อยุดก้อนหนึ่งชิ้นหนึ่งคล้ายๆหมาดําตัวที่อยู่บันไดเนี่ยมันได้เนื้อมามันก็ดีใจระหว่างที่มันจะกลับไปหาที่กินที่ไม่มีหมาตัวอื่นเห็น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 พอไปสนใจข้างนอกมก็ลืมลืมตัวลืมตัวว่ากำลังคว้าว่ากำลังงับอะไรอยู่แล้วคนเราบ่อยครั้งก็ไม่ต่างจากหมาตัวนี้นะก็คือว่ามันไปสนใจแต่เรื่องข้างนอกจะลืมตัวไม่ได้ลืมตัวอย่างเดียวยังลืมว่าเรามีสิ่งดีๆอยู่เราลืมไปเลยแล้วคนเวลานี้ก็มักจะมองไปที่คนอื่นมาก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 ถ้ามันไม่ลืมเนี่ยมันก็จะรู้ว่าโอ้นื้ที่อยู่ในป่านั่นก็มีประโยชน์มีคุณค่าแต่มันไม่ไม่สนใจแล้วเพราะมันลืมไปแล้วมันก็เสียสิ่งนั้นไปนะเพราะว่าไปสนใจแต่สิ่งข้างนอกแล้วเราก็จะสูญเสียสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นทรัพย์สมบัติสิ่งของนะวัฒนธรรมชุมชนพ่อแมนะ่มันเรื่องเดียวกันทั้งนั้นนะถ้ามองให้ดีแล้วที่ทำงา น, นเข ค, คือว่า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 มันจมเข้าไปในโกรธจมเข้าไปในความเศร้าเวลาฟุ้งซ่านก็ไม่รู้ตัวคิดฟุ้งไปได้ยาวแล้วพอรู้ตัวขึ้นมาจําไม่ได้แล้วว่าคิดเรื่องอะไรบ้างเราเคยสังเกตไหมเวลาเราคิดฟุ้งใจลอยเสร็จแล้วกลับมาอยู่กลับมารู้ตัวเออถามตัวเาเมื่อกี้คิดอะไรนะมันจําไม่ได้เลยนะอันนี้เรียกว่าคิดแบบไม่รู้ตัว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 แต่พอรู้ตัวขึ้นมาจาไม่ได้แนละ้วอันนี้เรียกว่ากลางคืนฝันกลางวันฟุง้งเรียกว่าเป็นความหลับหรือว่าความหลงความละเมออย่างหนึ่งเราละเมอทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ยังตื่นอยู่นะอันนี้ถึงเรียกว่าไม่ตื่นรู้ไม่รู้ตัวทั่วพร้อมและพอเราไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยมันก็ปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบงำจนทาให้เกิดความทุกข์ได้เวลาเห็นใครทำอะไรไม่ดีกับเราเนี่ย เราก็โกรธแต่ตอนที่โกรธเราก็ไม่รู้ตัวนะเพราะว่าใจตอนนั้นเนี่ยมันคิดแต่จะแก้แค้นมันคิดที่จะตอบโต้แล้วมันก็แปลกนะเราไม่ชอบให้ใครทําอะไรกับเราแต่เรากลับชอบทําอย่างนั้นกับคนอื่ น, น, นเช่นเขาว่าเราเราไม่ชอบแต่เราก็เผลอว่าเขาไม่ได้เขาแกล้งเราเราไม่ชอบถ้าเราก็ไปแกล้งเขาบ้างเขานินทาเราไม่ชอบ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 ใส่ร้ายเขาเราก็ทำไปไปมามาก็กลายเป็นว่าเราเอาเขาเป็นครูคนที่เราไม่ชอบนี่เรามักจะเอาเขาเป็นครูนะก็คือว่าเขาทำยังไงกับเราเราก็ทำยังไนกับเขาบ้างแล้วเราก็คิดว่าแบบนี้ดีที่จริงเนี่ยเราเราเกลียดเขาเราด่าเขาเราหาว่าขอเป็นหมาแต่ไปๆปมามาเรากับถือเอาเ้าเป็นครู เขาทาอะไรอย่างไรเราก็เรียนแบบเขาเรากำลังยกย่องเชิดชูเขาว่าเขาเป็นครูของเราทั้งที่เราดูถูกเขาทั้งที่เราเห็นว่าเขาเลวนะแต่ทําไมเราถึงเอาเขาเป็นครูได้ทั้งเพราะเราไม่รู้ตัวเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเด็กที่แกล้งเอาปืนมายิงพระเนี่ยเวลาบินธบัตเราก็หัวเราะใครๆเจอแบบนี้ก็หัวเราะได้แต่ทําไมเวลาคนอื่นเขา ทำอย่างนั้นกับเราเขามาว่าเราเขาจะมามุ่งร้ายกับเราทำไมเราไม่หัวเลาะเหมือนกับที่เราหัวเลาะเด็กมั่งถ้าทำอย่างนั้นได้ก็ดีเหมือนกันนะมันก็เมื่อคนบ้าเวลาคนบ้ามาว่าเราแล้วเราก็หัวเลาะได้แต่ทำไมคนอื่นมาว่าเราทำไมเราไม่หัวเลาะอย่างนั้นบ้างเพราะว่าทั้งๆที่เขาเองก็อาจจะบ้าเหมือนกัน คนเร า, าไม่ได้บ้าตลอดเวลานะบางช่วงบางขณะก็บ้าคือบ้าในอารมณ์และถ้าเรามองเห็นคนที่เขาว่าเราคนที่เขาพูดจาไม่ดีกับเราว่าเขาเหมือนกับคนบ้าคนเสียสติเราก็คงจะไม่ถือสาเขาอยากให้มองแบบนี้บ้างที่จริงในทางพุทธศาสนาเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าก็สอนแบบนี้นะไม่ว่าใครจะมาทุบตีเราเอาก้อนหินขว้างปาหรือว่าทำร้ายด้วยอาวุธถ้าหากว่า จิตใจเราแปรผันนะเรากล่าววาจาชั่วห ย, ยาบ ก, ก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ mm. แต่ว่าถ้าจะปฏิบัติตามคำสองของพระองค์ก็คือว่ารักษาใจไม่ให้แปรผันไม่ให้แปรปรวนนะไม่กล่าววาจาชั่วห ย, ยาบรนะักษาใจให้มีความเมตตาเอ็นดูเกื้อกูลเนี่ยเ น, นี่ยคือคือสิ่งที่เราควรทำซึ่งเราก็ทำอยู่ถ้าเกิดว่า เรามองคนเราหนะ้ามันก็เด็กๆที่เอาปืนมายิงมันก็เอนดูน้าเอนดูดี แ, แต่ถ้าเราไปคิดอย่างอื่นมันก็ทําให้โกรธได้และพอใจเราไปเพ่งอยู่ที่จะหาทางแก้แค้นเขาเราก็จะลืมตัวเราก็จะลืมว่าเราเองก็กําลังทุกข์ด้วยไฟโทรสัมไฟโทรสะมันกาลังเผาใจเราและพอเราปล่อยให้ไฟโทรสะเผาใจเราแล้วนะข่าวนี้แหละ มันจะสั่งให้เราทําอะไรคนคนนั้นเราก็ทําได้ทั้งนั้นตั้งตั้งที่ทําไปแล้วเราเดือดร้อนเช่นไปด่าเขาเสียเสีย ห, หายหายคนนึ่งก็จะมองว่าเราเป็นคนที่ไม่รู้จักกาลเทศะบ้างหรือว่าเราไปทําร้ายเขาเราก็ถูกลงโทษอย่างเช่นไปทุบตีกันไปตีกันเดี๋ยวนี้นักเรียนก็ตีกันบ่อยๆมีวิดีโอคลิปเผยแพร่อันนี้ก็เพราะทาด้วยความโกรธแล้วก็ลืมตัวเสียแล้วตัวเองก็เสียหายเอง พระพุเจ้าตรัดว่าผู้ใดโกรธคนที่โกรธไว้ก่อนพูดง่าคือผู้ใดโกรธตอบอผู้นั้นเลวกว่าผู้นั้นโง่กว่าคนที่เราโกรธให้าการโกรธตอบเนี่ยทำไมถึงโง่กว่าทำไมถึงเลวกว่าก็เพราะว่าเราอยากจะทำร้ายเขาแต่คนที่ถูกทำร้ายเป็นคนแรกก็คือเราเพราะปล่อยเราปล่อยให้ไฟโถมันเผาลุนจิตใจ แลนี่ก็ไม่รู้ตัวเนี่ยนะทุกก็ไม่รู้ตัวก็เพราะว่าใจนี่มันไปจดจ้องไปจดจ่อยอยู่กับคนโน้นคนนั้น ล, ลืมตัวฉันถึงเวลาที่เราต้องกลับมาดูใจของเราและการปฏิบัติธรรมที่เราทําทั้งหมดนี่ก็เพื่อไม่ให้ลืมตัวไม่ให้ลืมกายไม่ให้ลืมใจถ้าเราลืมกายลืมใจเมื่อไหร่นะชีวิตเราก็อาจจะพลังเผื่อพลังพลาดได้ทางกายมีสตินะก็คือทําให้ เราระลึกได้ในกายและใจเราระลึกได้ในเรื่องอื่นมาเยอะแล้วนะเราลึกได้จําได้ว่าดาราคนนี้ชอบกินอะไรดาราคนนี้ร้องเพลงอะไรเราจําได้ว่าเขาแสดงคอนเสิร์ต ท, ที่ไหนอย่างคนที่ไปออกรายการโทรทัศน์แฟนพันธุ์แท้หรือรายการต่างๆนี่วความเขาแสดงความสามารถในการจําได้เก่งมากแต่ว่าไอ้สิ่งที่ไม่ค่อยได้ทําำก็คือว่า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 ที่เขาเศร้าโศกเพราะสอบเอ็นท้ายไม่ได้สอบไม่ติดนี่มันเป็นการเศร้าโศกเกินเหตุเรารู้ชัดแต่พอเจอเข้าประตัวนี่ไม่รู้เลยลืมไม่หมดบางทีเรื่องอาจจะเบาบางกว่าของเพื่อนด้ซ้ําแต่ว่ามันหมดเนื้อหมดตัวไปแล้วงั้นกลับมานะกลับมาระลึกรู้ไหนกายและใจให้รู้เท่าทันปัจจุบันให้ได้ถ้ารู้เท่าทันปัจจุบันก็รับประกันได้ว่า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 มันเผอไปกี่ครั้งก็รู้รู้บ่อยๆรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆนี่แหละก็ะทําให้รู้กายรู้ใจได้ไวขึ้นมีสติไวขึ้นไม่ต้องทําเฉพาะที่นี่ก็ได้แต่ว่ากลับไปที่บ้านกลับไปที่ทํางานก็ทําอยู่เรื่อยๆให้การเจริญสตินี่ดีนะแม้ว่าโกรธแม้ว่าเศร้าก็เป็นเรื่องดีทัรู้โกรธก็รู้ว่าโกรธเศร้าก็รู้ว่าเศร้าฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งเครียดก็รู้ว่าเครียดถือว่าดี ไม่จําเป็นไว้ต้องสงบนะบางคนปฏิบัตินี่ต้องการจะเอาสงบพอไม่สงบก็เสียใจพองุดหมีดก็เสียใจไอ้ที่จริงอย่าไปเสียใจไอ้ที่เกิดขึ้นนะ่ะดีทั้งนั้นถ้ารู้นะเรียกว่ารู้ใจรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจฟุ้งก็รว่าฟุ้งโกรธก็รว่าโกรธไอ้การรู้แบบนี้แหละมันเป็นของดีนะที่ต้องทําอยู่เรื่อยๆการปฏิบัติเนี่ย